สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสิบสี่เรื่องชีวิตพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สิบเก้าพี่น้องครับพระพจน์ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็ยังอยู่ในฮีบรูบทที่หกข้อที่เก้าจนถึงข้อที่สิบสองครับโปรดฟังพระพจน์ของพระเจ้าแต่ดูก่อนท่านที่รักแม้เราจะพูดอย่างนั้น เราก็เชื่อแน่ว่ากรณีของท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่าที่ได้กล่าวมานั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำเพราะความรักที่ท่านมีต่อพระนามของพระองค์คือการรับใช้ธรรมิกชนนั้นดังที่ท่านยังรับใช้อยู่และเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายแสดงความตั้งใจจริงเช่นเดียวกันทุกท่าน จนกว่าความหวังของท่านจะประสบความสาเร็จเราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้ตามเยี่ยงอย่างของคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกพี่น้องครับขอย้อนกลับไปเมื่อวานนะครับฮีบรูบทที่9ขอโทษครับฮีบรูบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่10นั้นได้พูดเช่นกันครับว่า แต่ดูก่อนพวกที่รักแม้เราพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่าทั้งหลายคงจะได้สิ่งที่ดีกว่านั้นและซึ่งเกี่ยวข้องกับความรอดพี่น้องครับเราจะต้องผ่านหลักการเบื้องต้นแห่งคุตตศาสนาและไปถึงสิ่งที่ดีมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ดีกว่าก็คือเกี่ยวข้องกับชีวิตที่สำแดงออกถึงความรอดของเรา ในขณะที่เราทำงานหนักเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทรงลืมครับใครก็ตามที่ได้ทำงานหนักรับใช้พระเจ้าโดยแรงจูงใจที่ถูกต้องก็คือรักในพระเจ้าพระเจ้าก็จะดูแลพระเจ้าก็จะตอบแทนผู้เขียนฮีบรูนั้นยอมรับว่าท่านมีความเชื่ออย่างมั่นคงและเชื่อแน่ว่าผู้อ่านของท่านจะผ่านตรงนี้ นะครับไปได้รับสิ่งที่ดีกว่านั้นผ่านหลักการเบื้องต้นแห่งตดศาสนาไปได้สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือชีวิตที่เป็นพระพรและชีวิตที่จะรับพระพรผู้เขียนนั้นได้บอกเป็นไนว่าท่านไม่ได้คิดว่าพวกเขานั้นตกอยู่ในคนประเภทที่จะละทิ้งความจริงเป็นดินที่เสียแต่ท่านคาดหวังสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรอดคือชีวิต จากผู้อ่านของท่านและพวกเราทั้งหลายทุกคนครับและเมื่อคนหนึ่งคนใดนั้นบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงก็มีหลายสิ่งที่ติดตามมาและเกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องจากความรอดของเขาที่เขามีอยู่พระมผทธบอกว่าสิ่งเก่าๆนั้นก็ผ่านพ้นไปดูเถิดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิน้นพี่น้องครับพี่น้องจะสังเกตว่าผมพูดวนเวียนไปวนเวียนมาเพราะว่าชีวิตของเรานะครับ จะต้องสำแดงออกซึ่งผลแห่งความรอดโดยปรากฏเป็นการกระทําโดยปรากฏเป็นความคิดโดยปรากฏเป็นเนื้อหาสาระแก่นสารของชีวิตของเราครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะเห็นผลของความรอดว่าเรามีความรอดจริงๆหรือเปล่าผลของความรอดไม่ใช่ความรอดนะครับความรอดเกิดจากความเชื่อผลของความรอดเกิดจากการกระทา การดําเนินชีวิตการดํารงตนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เราเป็นเรามีเราเราอยู่ น, นครับการเป็นพยานต่อหน้าสาธารณชนคือการบัพติศมาหลังจากที่เราบัพติศมาแล้วเ ร, เราได้ประกาศตัวต่อหน้าสาธารณชนต่อข้ารจักรของพระเจ้าต่อพี่น้องของเราต่อครอบครัวของเราว่าเราได้ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้า รับเชื่อในพระเยสุขคิดพระยสุขคิดอยู่ในชีวิตของพวกเราเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าชีวิต ต, ต่อไปนี้ก็คือต้องเป็นพยานครับต้องเป็นพยานถึงความรอดโดยการกระทําของเราการศึกษาพราะเจ้าของพระเจ้าการเรียนเอาวีการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวทุกๆเช้านะครับความศรัทธอต่อบรรดากิจการของพระเจ้าที่เรารับใช้อยู่ การแยกตัวออกจากความบาปและโลกการเติบโตฝ่ายวิญญาณซึ่งตังเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตที่พิสูจน์ความรอดที่เรามีอยู่ในข้อสิบ2อดสิบสองต่อไปผู้เขียนฮีบรูนั้นบอกว่าเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายทุกคนแสดงความตั้งใจจริงครับความตั้งใจจริงเนี่ยเป็นท่าทีเป็นทัศนคติที่อยู่ข้างในลึกๆของเราไม่มีใครรู้หรอกครับ มีแต่เราที่รู้เหมือนกับที่เราตั้งใจที่จะออกมารับเชื่อพระเจ้าเหมือนกับเราตั้งใจออกมารับใช้พระเจ้าเหมือนกับเราตั้งใจที่เราจะมาโบสเหมือนกับเราตั้งใจที่เราจะทำงานให้ดีที่สุดพี่นงครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับมันเป็นความตั้งใจที่ไม่มีใครเห็นครับแต่มันแสดงออกได้ พิจารณาขณะที่เราเติบโตในองค์พระบิดเจ้าเราต้องตั้งใจเราต้องขมักขมึนเราต้องอุตสาหะในการพัฒนาสิ่งต่างๆที่มาพร้อมกับความรอดสิ่งต่างๆที่มาพร้อมกับความรอดก็จะทําให้เกิดผลของความรอดครับนะครับและก็ให้เราที่จะถึงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมมั่นใจอย่างเต็มที่แห่งความหวังนั้นจนถึงที่สุดปลาย พี่น้องครับขณะที่เราเติบโตขึ้นเราจะต้องมีความขมักขมเณรอุตสาหะความพยายามฝ่ายวิญญาณครับเราก็จะมีความมั่นใจและเราจะมีความหวังในสิ่งที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าอย่างแน่นอนเรื่องที่สําคัญกว่าก็คือว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณเราก็จะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นเราจะมีความหวังเพิ่มขึ้นเราจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและนี่เป็นจุดประสงค์หลักของจดหมายฝากถึ ง, ถงคริสเตียนชาวฮิบรู ผู้เขียนได้บอกว่าดูคนที่เขาเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อสิผู้เขียนกําลังบอกว่าบรรพชนแห่งความเชื่อเหล่านั้นเขาก็เอาเยี่ยงเอาอย่างพระเยซูคริสพี่น้องครับในข้อสิบสองผู้เขียนกําชับว่าไม่อยากให้เราเป็นคนเฉื่อยช้าเฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณการกลายเป็นคนที่เฉื่อยช้าฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่สับเข้าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วนะครับ ทำแบบขอไปทีนะครับเป็นคนที่ช่วยช่วยฝ่ายจิตวิญญาณนั้นไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยครับแต่เราควรที่จะเอาเยี่ยงเอาอย่างเราควรที่จะอุตสาหะวิริยะขยันขันแข็งเอาเยี่ยงเอาอย่างคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อหรือเบรรดาชนแห่งความเชื่อและความเพียรแล้วเขาได้รับพัญญาเป็นมรดกนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราควรทํา คำว่าเอาเยี่ยงอย่างหรือตามเยี่ยงอย่างนั้นมีความหมายว่าเรียนแบบครับโดยในย่าแล้วก็คือว่าเราควรจะเรียนแบบปฏิบัติตามอย่างคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่ดํารงตนอยู่ในความเชื่อความศรัทธามาตลอดชีวิตและท่านเหล่านั้นเป็นตัวอย่างของเราในคริสตจักรท่านเหล่านั้นเป็นต้นแบบของเราในการติดตามพระเยซูท่านเหล่านั้นได้มีความเชื่อฟังในะโชนของพระเจ้า ดำเนินและดำรงตนอยู่ในคลองธรรมอยู่ในจ ร, ริยธรรมตามแบบอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้เราผู้ที่เราเชื่อถืออยู่อานนี้แหละครับคือเป็นตัวอย่างที่พระเจ้าให้กับเราให้เราเห็นด้วยตาครับก็คือบรรดาผู้อภิสโซบรรพชนแห่งความเชื่อทั้งหลายพี่น้องครับด้วยความเชื่อและความเพียรครับพี่น้องจําให้ดีนะครับด้วยความเชื่อและความเพียร เราจึงจะได้รับตามพระสัญญาอามีน